ตามคำบอกเล่าของพานเก่าๆเขาว่ากันว่าช้องหมูจะมีขึ้นได้โดยหมูป่าตัวผู้โทนที่คลั่าบอดหรือว่ามีฤทธิ์ก้าเต็มที่เหยียบชั้นเสียนของหมูป่าอะไรทำนองนั้นแหละเมื่อมันแก่ฤทธิ์แก่เดชถึงเพียงนั้นแล้วมันก็จะทำช้องของมันขึ้นเองวิธีทำง่านี่ตามที่เขาเล่ากันนะครับก็คือมันพยายามใช้ปากกัดเล็มเส้นขนของตัวมันเอง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 ขนเหล่านั้นก็จะถูกน้ําลายของมันถักให้เป็นเกลียวพันกันและจรดกันเป็นวงกลมมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือจะเป็นไปโดยการใช้ลิ้นถักของมันข้อนี้ไม่เคยสอบได้ชัดสักทีคนที่มันหมั่นพยายามทําไว้ในปากนี่นะครับเรียกกันว่าช้องหมูโดยเจ้าหมูกป่าตัวไหนมีช้องอมไวเช่นนี้เท่ากับเป็นเครื่องรางป้องกันตัวมันได้อย่างวิเศษ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 รพินคุณก็มีนิยายของเรื่องป่าเล่าให้ฟังได้น่าสนุกไม่แพ้พรานพื้นเมืองเหมือนกันนะเอาละทีนี้ขอให้ผมซักคุณในฐานะรพินพายวันอดีตนักเรียนทหารจากเยอรม น, นีสักหน่อยไม่ใช่พรานป่าพื้นเมืองสา ม, มัญคุณว่าคุณเคยเห็นช้องหมูมาแล้วใช่ไหมแม้ว่าจะไม่ใช่สดสดร้อนๆจากตัวหมูป่าเองครับเห็นอยู่บ่อยๆคุณสังเกตได้ไหมว่า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 ชื่อของเจ้าหมูตัวนั้นในขณะมันดังกล้องไปทั้งละแวกป่าไม่ผิดอะไรกับไอ้กุดหรือไอ้แหวงในปัจจุบันที่เราพบอยู่นี่แหละครับพอวันที่สี่ของการรอคอยมันก็เข้าผมเลงอย่างปราณีตที่สุดนัดแรกกระสุนไม่ลั่นภายหลังจากสับไกวันนั้นมันรู้ตัวเพ่นหนีไปได้อีกสองอาทิตย์ต่อมาผมมีโอกาสอีกครั้งที่ห้างริมหนองน้าคราวนี้กระสุนลั่นดังราวกับฟ้าผ่าเจ้าหมูตัวนั้นกนจ้ำเบ้าลงไปร้องลั่น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 ร้องโหก่ราวกับเสือแล้วก็ควบดิ่งเข้ามาอารามตกใจผมไม่ทันจะส่งปืนให้คุณพ่อแต่ส่องลำกล้องสวนหน้าของมันหลับหูหลับตาเหนี่ยวไกตูมออกไปพร้อมๆกับเสียงปืนรั่นปรากฏว่าหมูตัวนั้นตีดังกากับหลังสามทอดไปนอนนิ่งไม่กระดุกกระดิกอยู่กับที่ทำไมมันถูกอำนาจประท่าของจุด37วีเอร์บีทาให้กระเด็นไปชอกอยู่กับที่ทั้งๆ ท, ที่กระสุนไม่ระคายผิวงั้นเลอ เรพินหัวเราะดังออกมาเป็นครั้งแรกเปล่าหรอครับไม่ใช่อำนาจปะทะแต่เป็นอำนาจเจาะทะลวงกระสุนจุดสามเจ็ดห้านัดนั้นเจาะร้อยตั้งแต่หัวของมันทะลุเลยออกทางก้นเป็นเส้นตรงเลยเดีายวว่าแต่มันตัวเดียวเลยต่อให้ตัวขนาดมันมายืนเรียงกันสักสิบตัวก็ไม่มีเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เห็นจะเป็นเรื่องแกล้งเล่าให้งงเล่นเสียแล้วถามหน่อย ปืนอะไรที่คุณยิงมันไม่ออกแล้วก็มีเข้าในสองครั้งแรกนั่นเชษฐากับพริบตาถามเร็วปือจอมพานหัวรอกค้างอยู่เช่นนั้นพร้อมกับบอกว่าปืนแก๊บครับนัดแรกดินมันชื้นแล้วก็แก๊ด้านไม่จุดระเบิดส่วนนัดที่สองความไม่ชำนาญทำให้ผมอัดอ่อนผิดส่วนไปหน่อยถึงได้ทำให้มันเพียงแค่จุกไปเท่านั้นมันเป็นเรื่องของความยาววัยในสมัยนั้นตั้งแต่นั้นมาผมเข็ดจนตาย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 ไม่ต้องถึงกับจุดสาเจหรอกเอาแค่จุดสองแม็กนั่มก็พอแล้วเรื่องที่ผมเล่าให้คุณชายฟังนี่เป็นประสบการณจ์จริงของผมในชีวิตราสัตว์เมื่ อ, อยังฝึกหัดอยู่ครับเป็นอุทาหรณ์เปรียบเทียบให้เห็นว่าพวกพลานพื้นเมืองที่มักจะประสบกับเรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆเป็นต้นว่าปืนยิงไม่ออกหรือปืนยิงไม่เข้าก็เนื่องมาจากอาวุธราสมัยนั่นเองเป็นส่วนประกอบสาคัญ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 ยิ่งไม่เข้าเป้าหมายสำคัญต้นเหตุนี้แหละครับที่ทำให้นักล่าสัตว์หรือมิชนั้นก็ถูกสัตว์ที่หมายล่าเอาชีวิตเสียพูดวกวอนร้อเล่นหยุดตั้งนานที่แท้คุณเองก็ยอมรับเหมือนกันสิว่าช้องหมูเป็นเรื่องเหลวไหลเชื่อกันอย่างงมงายสีหน้าของพรานใหญ่ขึมลงเสียงพูดด้วยอารมณ์ครื้นเครงเปลี่ยนเป็นจริงจังขึ้นเรื่องนี้อยาให้ผมสรุปลงความเห็นอะไรเลยครับชีวิตพรานอย่างผม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 หวังว่าผมคงไม่ได้ถามอะไรให้เป็นที่รักกระทบกระเทือนใจคุณไม่ได้เลยครับขอบพระคุณที่กรณ า, าถามถึงขอโทษอีกสักครั้งท่านเสียชีวิตเพราะอะไรท่านเป็นพรานใหญ่ยิ่งกว่าผมมากนักผจญสัตว์มานับไม่ถ้วนแต่ไม่เคยเลยสักครั้งที่ท่านจะได้รับอันตรายจากสัตว์แม้แค่รอยเล็บควนผมเสียอีกไม่ได้ครึ่งของท่านเพราะเกือบตายกับสัตว์มาหลายครั้ง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 ผมเคารพและนับถือคุณชายจึงเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวให้ทราบตามตรงอย่างนี้นะครับขณะนี้ผมมีแม่อยู่เพียงคนเดียวข้อนี้เองทำให้ผมต้องเสนอเรียกร้องค่าจ้างตามสัญญาเพื่อหาหลักประกันไว้ให้เกศท่านในกรณีที่ผมเป็นอะไรลงไปคุณชายไม่ทราบความจริงแต่แรกก็อาจนึกตำหนิผมหาว่าผมโกงราคาก็ได้ําพังชีวิตของผมเองนะไม่มีราคาถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ถ้าไม่มีผม แม่คนเดียวก็จะลำบากมากคำพูดซื่อแบบตรงไปตรงมาของรพินทำให้หัวหน้าคณะเดินทางเต็มตื้นโอบแขนกอดไหล่จอมพรานไว้แน่นระพินผมบอกได้ ว, ว่าผมรักคุณรักเหมือนน้องชายคนหนึ่งทีเดียวผมไม่เคยคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินค่าจ้างที่คุณเสนอมาเลยตรงกันข้ามกับรู้สึกว่ามันถูกที่สุดสาหรับการเสี่ยงชีวิตทั้งชีวิตนี่อย่าพูดถึงเรื่องน้าใจกันเลย ที่เรามาเห็นกันแน่ชัดในป่านี้แล้วเฉพาะเพียงแค่คุณสมบัติของคุณเท่าที่ผมรู้มาอย่าว่าแต่แค่สองแสนบาทเลยต่อให้คุณเรียกมากกว่านั้นสักเท่าตัวผมก็เห็นว่ามันสมควรที่สุดมันเป็นโชคของผมมากที่การเดินทางครั้งนี้ได้คนอย่างคุณเป็นพรานนาทางเราอะเอ่ยถึงเรื่องนี้อีกเลยบอกแล้วยังไงว่าต่อจากนี้ไปไม่มีนายจ้างหรือลูกจ้างเราเป็นเพื่อนตาย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 คือกลิ่นชมดเชียงแต่อะไรถ้าจมูกผมไม่ผิดเหมือนกันรู้สึกว่าจะมีกลิ่นน้ำมันช้างโชยมาด้วยเ mm hmm. ชิฐาชะงักกึกพยายามสูดลมหายใจหนักหนับตาสว่างโปรงสอดสายระมัดระวังไปรอบด้านแล้วหันไปจ้องระพินก็เห็นพรานใหญ่เงยหน้าขึ้นเอาจมูกสายรับลมไปรอบรอบด้านตรวจทิศทางลมเพื่อความแน่ใจตามวิธีของเขาซึ่งหัวหน้าคณะเดินทางไม่เข้าใจ อึดใจเดียวกันหันมาสบตาจาอลิมฝีปากข้างหูเชษฐาช้างตกมันทิศทางอยู่เหนือรมเราไปทางด้านหน้าเยื้องขวานี่ห่างอย่างมากก็ไม่ถึง50เมตรเพราะความที่ไม่ได้มีเจตนาหรือตั้งใจมาก่อนและจูจ่ๆก็ได้รับการบอกเล่าอย่างกระทันหันแม้จะเต็มไปด้วยความกล้าหาญสักขนาดใดก็ตามใจของหม่อมราชวงศ์เชษฐาก็หายวูบ แต่แล้วก็ควบคุมสติได้โดยเร็วยังอุ่นใจที่ถือจุด470แฝติดมือมาด้วยไอ้แหว่งหรือเปล่าเสียงของเชษฐถาไม่วายสานเพราะอารมณ์ตื่นเต้นทั้งๆ ท, ที่พูดโต้ ต, อ, ตอบกันด้วยเสียงกระซิบเบาที่สุดไม่ใช่ไอแหว่งหรือโขงของมันหรอกครับมันจะต้องเป็นช้างโทนโดดเดี่ยวแตกโขงมาจากโขงอื่นแล้วพรานใหญ่ก็ยิ้ม คุณชายถนัดใจจะลองเข้าไปดูกับผมไหมครับผมจะพาเข้าไปดูใกล้ๆเลยสีหน้าและแววตาอาการของรพินขณะที่ถามอยู่ในสภาพเรียบๆปกติเหมือนจะชวนเขาไปดูนกหรือดูกระต่ายเชษดถาแทบสะอึกกระพริบตาปริบๆอยู่อึดใจแต่แล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้นักขณะที่ตามพิาคาตโขลงไอ้แหวงรพินก็นาเขาเข้าไปใจกลางโขลงของมนันโดยไม่ให้เขารู้สึกตัวร่วงหน้า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 เขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการเสนอเช่นนี้ของรพินจะเป็นการทดสอบน้ำใจของเขาหรือเปล่าซึ่งแน่ละเขาจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและกล้าหาญที่สุดอย่างน้อยก็ไม่น้อยไปกว่าพรานใหญ่เองในเมื่อรพินกล้าที่จะนำเข้าไปทำไมเขาถึงจะไม่กล้าด้วยจะยิงหรือเปล่าก็สุดแล้วแต่คุณชายสิครับผมจะนาคุณชายเข้าไปเห็นมันให้ใกล้ที่สุดยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นพรายหรือศีดอ ตกลงเชษถาพยักหน้าง่งายๆใจไม่ไวายเต้นระทึกชำเลืองมองดูลิกบี้จุจด470ดอีกครั้งนึกเสียดายในข้อที่ว่าถ้ารู้ตัวร่วงหน้าว่ารัฐพินจยอุตริชวนเขาแบบนี้เขาคงแบกจุด600นในโตมาแล้วพรานใหญ่ไม่กล่าวเช่นไรอีก ย, ยิ้มยิ้มอยู่ในสีหน้าออกย่องเลาะลัดไปตามป่ารกโดยไม่มีเสียง วกอ้อมดงมาไฟอันติดต่อกับบริเวณป่าไผ่ตอนหนึ่งบนพื้นที่ราบเชิดถาสืบเท้าตามหลังไปในระยะกระชั้นชิดมาถึงโคนมะค่าใหญ่ต้นหนึ่งแล้วพินปลดเป้หลังและกระติกน้ำออกวางไว้โคนต้นไม้ชั่วคราวคงเหลือแต่ตัวเปล่าและไหลเฟื่อติดมือเท่านั้นโดยไม่ต้องเตือนเลยเชิฐถาย่อมจะเข้าใจได้ดีจัดการปลดเครื่องหลังและสิ่งที่เกะกะออกเหลือแต่ปืนคู่มือเช่นกัน การเคลื่อนเข้าไปใกล้ช้างโดยรู้จุดหมายแน่นอนที่มันอยู่ในขณะนี้ก่อนแล้วแม้จะเป็นใต้ลมก็ตามทีเสียงย่อมเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดอีกประการหนึ่งเป็นการตัดภาราเกกกะเพื่อให้สะดวกแคล่วล่องฉับไวที่สุดหากเกิดฉุกเฉินขึ้นครั้นแล้วโดยการนําของระพินแช่ฐาหมอบคลานตามไปเบื้องหลังโดยคย่อยๆขยับลากไลเฟื่องตามไปด้วยทีละช่วง ผ่านไปในระหว่างพงรกของซุ้มไผ่อันหนาแน่นไม่ผิดอะไรกับอาการครานของสัตว์กระดิกเข้าไปโดยไม่มีเสียงนอกจากจะได้ยินเสียงหัวใจของตนเองเต้นตลอดเวลาที่นําไปพรานใหญ่ชมเหลืองมองดูนายจ้างของเขาทุกระยะและซ่อนยิม้มเชิดถาคล่องแคล่วและสันทัดในการคืบคลานเข้าหาสัตว์ยิ่งกว่าชยันมากไม่มีอะไรจะต้องให้หนักใจเลย ในที่สุดก็ถึงขั้นนอนพังภาพเอาอกหน้าพื้นเลื้อยไปเหมือนงูครู่ใหญ่จึงนอนคว่มเคียงกันอยู่ใต้กอไผ่แต่ละลำมีขนาดเท่าโคนขาแผ่ใบ ย, ย้อยปลกถึงดินคลุมแทบไม่ผิดอะไรกับถ้ำกลิ่นหืนคืนเขียวของน้ำมันช้างคลุ้งตลบไปทั่วเชษฐาขยายม่านตากว้างพยายามมองสอดสายไปยังความลกทึกของซุ้มไผ่เบื้องหน้าซึ่งเป็นเงาตะคุ่มเรือนรางอยู่ทั่วไป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 มือทั้งสองที่กระชับจุด470เนยสั่นน้อยๆเขาแมวท้องแทบจะไม่กล้าหายใจเม้มริมฝีปากแน่นบอกกับตึวเองว่าเขาเพิ่งจะเห็นฤิษ์รับพินภัยวันพรานนำทางของเขาแน่ชัดเอาเดี๋ยนี้เองหมอนี่กล้าผิดคนและสติมั่นคงเยือกเย็นเหลือประมาณเก้าเดียวเท่านั้นในยามนี้เก้าเดียวจริงๆเพียงแต่มันเดินถอยหลังเท่านั้นทั้งเขาและรับพินก็แหลกอละเอียดไปกับแผ่นดิน เจ้าสีดอตกมันตัวนั้นหาได้เฉลียวใจคิดมีโอกาสรุดเลยไม่ว่าหน้าบัดนี้ใต้ท้องของมันมนุษย์ตัวกะจใยร่อยสองคนเด้นตัวเข้ามาหมอบดูมันอยู่มนุษย์ผู้ซึ่งแน่ละมีมันสมองอย่างเดียวเท่านั้นที่วิเศษเนื้อไปกว่าสัตว์ทั้งปวงในโลกอึดใจใหญ่ต่อมาท่ามกลางความงุนงงเหมือนฝันของหม่อมราชวงเชษฐาวราลิพรานใหญ่หันมาสบตาเขาเหมือนจะเป็นคาถาม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 พร้อมกับจุกปากโครงหัวไปมาร้ายกาจจริงัะพินนี่ผมนึกไม่ถึงเลยว่าคุณจะพาผมคลานเข้าไปจนแทบจะอยู่ใต้ท้องมันเลยทีแรกนึกว่าอย่างมากก็พาเข้าไปเห็นมันในระยะสัก20เมตรเป็นอย่างใกล้ที่สุดพับผ่าสินี่คุณต้มผมเสร็จแล้วโอ้ยจะเป็นลมจอมผ่านยิ้มฟันขาวตาเป็นประกายก็ผมบอกคุณชายแล้วยังไงครับว่าผมจะพาเข้าไปดูให้ใกล้ที่สุด